นะก็แล้วก็ไม่ขนองทีนี้ถ้าจะรู้จักไม่ขนองก็ต้องรู้จักความขนองก่อนว่าขนองเป็นยังไงก็ขนองมือขนองเท้าเนี่ยนะขนองทั้งมือขนองทั้งเท้าก็ชื่อว่าความขนองความสําคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรความสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรความสําคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษความสําคัญในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษพวกนี้เรียกว่าความขนองความรําคาญกิริยาที่รําคาญ ความเป็นผู้รําคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ่มใจนี่เรียกว่ารําคาญถ้าเป็นบาลีเรียกกุกุจะนะกุกุจะก็คือความเดือดร้อนความรําคาญนั่นเองอีกอย่างหนึ่งความรําคาญก็คือความเดือดร้อนจิตความกลุ่มใจกลุ่มใจก็กลุ่มด้วยเหตุสองประการคือกลุ่มเพราะไม่ทําอย่างหนึ่งกับกลุ่มเพราะทํานี่อย่างหนึ่งคือความรําคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ่มใจย่อมเกิดขึ้นเพราะการทําและไม่ทำเนี่ยเป็นอย่างไร ก็คือความราคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจย่อมเกิดขึ้นว่าเราเนี่ยทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเราเนี่ยไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาทางใจเราเนี่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกา ร, รมเราเนี่ยพูดเท็จพูดคำยาพูดเพ้อเจอ้อพูดซอเสียเราเนี่ยอภิชาพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิ แล้วก็เดือดร้อนใจต่อไปว่าเราไม่ได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ได้งดเว้นจากการลักทรัพย์ไม่ได้งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมไม่ได้งดเว้นจากการมูสาวาฏไม่ได้งดเว้นจากสัมผัสปลาปะปิสุนาวาจาพุทวาจาไม่ได้งดไม่ได้เจริญอนาพิชาไม่ได้เจริญอัพยาบาทไม่ได้เจริญสามมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็เลยเดือดร้อนใจรำคาญกลุ้มใจอย่างนี้เขาเรียกว่าเดือดร้อนเพราะทําบาป เพราะไม่ทำบุญเห็นนะเดือดร้อนเพราะทุจริตเดือดร้อนเพราะไม่ทำทุจริตเดือดร้อนเพราะทำอกุศลกรรมบทเดือดร้อนเพราะไม่ประพฤติกุศลกรรมบทหรืออย่างหนึ่งความรำคาญความเดือดร้อนความกลุ้มใจย่อมเกิดขึ้นว่าเราเป็นผู้ไม่ทำความบริบูรณ์ในศีลนะเราเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเรานี่ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ เรานี้ไม่ได้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเรานี้ไม่ได้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเรานี้ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานไม่ได้เจริญสัมมาปัฏฐานไม่ได้เจริญอิทธิบาทไม่ได้เจริญอินทรีย์ไม่ได้เจริญพระละไม่ได้เจริญโพชฌงเนี่ยนะเรานี้ไม่ได้ทําปริญญาในทุกไม่ปะหะนละสมุทัยไม่เจริญอริยมรรคไม่ได้ทานี้ให้แจ้งนิโรธ น, นี่พวนี้เรียกว่ากุกุจะหรือรําคาญพันพึงเว้นจากความรําคาญคือพึงงดพึงเว้นเว้นขาดจากความรําคาญคือกุกุจะเนี่ยนะพึงละบันเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความเป็นผู้รําคาญพึงเป็นผู้งดเว้นเว้นขาดออกละสละไปไม่เกี่ยวข้องด้วยความรําคาญแสดงว่าจะต้องทําตัวยังไงจึงจะไม่เดือดร้อนใจในภายหลังนะ น, นี้สําคัญมากนนะีจะต้องไม่ทําชั่วบําเพ็ญกุศลอย่างให้บริบูรณ์นั่นแหละ คำว่าไม่เพึงประมาทเนี่ยนะต้องไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทก็คือพึงเป็นผู้ทําโดยเอื้อเฟื้อทําโดยติดต่อทําไม่หยุดมีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ปลงฉันทะไม่ทอดทุระไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศลความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเป็นผู้ขยันความมีเรี่ยวแรงความไม่ถอยขับไม่ถอยกลับความระลึกได้ความรู้สึกตัวความเพียรให้กิเลสร้อนทั่ว ความเพียรอันพึงตั้งไว้ความตั้งใจความประกอบเนืองๆในกุศลธรรมนั้นว่า <supplying. S 1> เมื่อไรเราพึงยังศีลขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือเราเนี่ยพึงอนุเคราะห์สีลขันที่บริบูรณ์ในที่นั้นด้วยปัญญาอันนี้ก็ชื่อว่าไม่ประมาทในธรรมะฝ่ายกุศลหรือว่าความประกอบเนืองๆว่าทํำยังไงสมาธิที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์อนุเคราะห์สมาธิที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญา หรือทํายังไงปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรืออนุเคราะห์ปัญญาที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาหรือว่าทํายังไงเราจะอนุยังวิมุตติขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์อนุเคราะห์วิมุตติขันที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาหรือทำยังไงจะยังวิมุตติญาณทัศนะขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรืออนุเคราะห์วิมุตติญาณทัศนะขันที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญา ความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเป็นผู้ขยันมีเรี่ยวแรงความไม่ถอยกลับความระลึกได้นะสติสัมปชัญญะความเพียรให้กิเลสร้อนทั่วความเพียรอันพึงตั้งใจความตั้งใจความประกอบเนืองในกุศลว่าเมื่อไรเราพึงทําปริญญาในทุกที่ยังไม่ทําปริญญาพึงละกิเลสทั้งหลายที่ยังไม่ได้ละพึงยังมักที่ยังไม่เจริญให้เจริญขึ้นเราพึงทําให้แจ้งซึ่งนิโรธที่ยังไม่ทําให้แจ้ง เชื่อว่าไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศลเพราะฉะนั้นจะต้องไม่รําคาญใจแล้วก็ต้องไม่ประมาทพ่อพูนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เจิดขึ้นนะนะโดยใจความก็คือพ่อพูนเนี่ยสีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติยานัศนะขันแล้วก็ประกอบตั้งใจไว้ว่าจะทําปริญญาในทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งอบรมมักให้ยิ่งคนที่ตั้งจิตลักษณะอย่างนี้ไว้ตลอดเนี่ยนะต่อเนื่องเรียกว่าผู้ไม่ประมาท เห็นคำว่าภิกษุนั่งอยู่ในที่ใดที่นั้นเรียกว่าที่นั่งเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเตียงตังฟูกเสือท่อนนังเครื่องลาดเครื่องลาดใปไม้เครื่องลาดฟางเสนาสนะก็เรียกว่าที่เสนาสนะเรียกว่าที่นอนไม่ว่าจะเป็นวิหารเรือนหลังคาแถบเดียวปราสาสหลังคาโลนถ้ำชื่อว่าที่นั่งที่นอนมันภิกษุก็อยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อยคือภิกษุเที่ยวไปยับยั้งเปลี่ยนนิรยาบทประพฤติรักษาเยียวยา ในเสนาสนะที่มีเสียงน้อยเป็นมีเสียงไม่กึกก้องปราศจากชนผู้สัญจรไปมาควรทํากรรมรับของมนุษย์สมควรแก่การหลีกเล่นฉะนั้นจึงชื่อว่าภิกษุพึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อยหรือที่สงัดสรุปว่าภิกษุต้องเป็นผู้มีฌานทั้งลักขณูปนิสชานอารามณูปนิสชาณฌานทั้งที่เป็นสมถาวิปัสนาไม่โลเลเพราะเท้าเที่ยวดูไปเรื่อย ไม่รำคาญไม่ประมาทอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อยนยนะที่สงัดที่วิเวก